แม้สมณพราหมณ์จะกล่าวไว้ว่าโลกหน้ามีถ้อยคาของสมณพราหมณ์เหล่านั้นจะเป็นจริงหรือไม่จงยกไว้แต่คนคนนี้ที่ทุสีนมีความเห็นผิดพูดว่าผลของบุญบาปไม่มีย่อมถูกวินยูชนติเตียนในปัจจุบันถ้าโลกหน้ามีคนคนนั้นก็ถือเอาโทษทั้งสองฝ่ายคือถูกติเตียนในปัจจุบันและตายไป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 ทั้งวาทะของตนและวาทะของคนอื่นเว้นฐานะอันเป็นอกุศลธรรมะที่ไม่ผิดข้อที่สองสมณพราหางพวกกล่าวว่าทรรมไม่เป็นอันธ ร, รธรทรมในที่นี้สะกดด้วยทศารที่หมายถึงการกระทานะครับ ร, รมไม่เป็นอันธรรมหรืออะคิริยะทิฏฐิ เช่นฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ก็ไม่เป็นอันฆ่าสัตว์ไม่เป็นอันลักชื่อว่าเป็นฝ่ายถือผิดส่วนที่เห็นว่าทาเป็นอันธรรมหรือกระทาแล้วเป็นอันธรรมแล้วชื่อว่าถือถูกสมท า, านถูกซึ่งอปันนกรรทธรรมะที่ไม่ผิดข้อที่สามสมณพรามบางพวกกล่าวว่า